พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18สิงหาคม2559หมีชื่อเรื่องว่าชีวิตนี้มีจุดจบวันนี้พวกเราได้มาไปชมเพลิงตู้แว่น ชื่อใ น, ในเสงเนาะในเสียงดิรุณชัยพอ่อพ่อตูแว่นอายุ78ปีไีปลายปลายไม่ใช่80ปีท่วนปลายปลายไปอีกอยู่3เดือนอะไรนี่หละได้มรณะลงไปเมื่อวันที่ส6หสิงหาที่ผ่านมาการตายของ ประตูของเราเนี่ก็ถ้าจะว่าปกติก็คือปกติเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตาย น, นั่นอคือคนเราต้องไม่หนีหนีไม่พ้นแต่ตรงที่ไม่ปกติก็คือไม่ให่ตายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการตายประสบอุบัติเหตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินแต่ก็จะทํำยังไงได้ อันนี้ประสมอุปัติเหตุเมื่อวันที่ส6ตอนเช้าแต่ตามไม่จริงพ่อตู้ของเราประตูแหวนของเราก็เป็นโยมอุปถรัรมภถาตั้งแต่ฤกษเริ่มเมื่อวัดป่านาคำน้อยเพราะว่าบ้านนาคำน้อยสมัยสมัยก่อนมาถลงพ่อมาอยู่ใหม่ๆก็ไม่กี่หลังคาแล้วก็มี พวกพ่อตู้แม่ตู้ทั้งหลายแหลนี่แหละไม่กี่ครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในการดูแลพระสงฆ์เนี่ยหลวงพ่อสดที่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยเขามาจาพรรษาตั้งแต่ปีสองสามกับหลวงพ่อนิพนธก็เนี่ยตู้ขาตู้แว่นตู้เดือน ออแล้วก็ตู้พ่อใหญ่กันหาพวกตู่พ่อตู่พ่ใหญ่บ้านเก่าแล้วก็มีหลายพ่อตู้ที่หลวงพ่อไม่สามารถที่จะไรีเรียงได้ไโดยมากก็มีแต่ผู้สูงอายุที่มาให้การสนับสนุนวัดป่านาคําน้อยของพวกเราเพราะนั้นถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีบุญคุณอย่างร้นเลือต่อวัดวาศาสนาเพราะนั้น เราก็ไม่คาดคิดไม่คาดหวังเหมือนกันว่าพอตู่อายุถึงเจสท่านก็นี่แหละมาวัดหมูพวกเพื่อนก็ชวนมาวัดวันนั้น่ะเมื่อวันที่สิหนะพวกกูบาก็อยากจะให้มาด้หญ้าออกจากต้นไม้เพราะว่าปลูกป่าปีนี้หลวงพ่อกขเน้นเรื่องป่าอพอตู่ท่านก็บอกเออเดี๋ยวผมไปนาไปไล่ไปนาซะก่อน ห ว, วันพุ่งนี้จะมาจะมาไดายา้ย่าช่วยนะวันนี้ขอขอไปทำงานซาก่อนพอไปทำนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปไปก็ น, นนะ่ไปประสบอุบัติเหตุทางเลี้ยวเข้าไปที่ทำนาของตอนเองรถปิดอัพชนกระเด็นเลยผมพ่อเขาเพิ่งฉันเสร็จหม่ใหม่ก็ทราบข่าวว่าตู้แว่นประสบอุบัติเหตุเอา้าไปช่วยดูนะเป็นยังไง พอสายยขึ้นมาว่าลุงปุ๊ ป, ปพอตู่แว่นได้ตายไปเแล้วมรณะไปแล้วโอจะทำยังไงเนี่ยแหละลุงพ่อก็ะเดรรับรู้รับทราบมาโดยตลอดเพราะนั้นก็พ่อตู่าช้แจะว่าไปแล้วก็เป็นคนเป็นหลักของหมู่บ้านนาคำน้อย แต่ก่อนหน้านี้เมื่อหลวงพ่อมาอยู่หลว ง, งพ่อสดกันนั่งอยู่กลางข้างหลวงพ่อเนี่ยกับผู้ใหญ่ทองเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตู้แว่นนี่แหละเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับพ่อตู้มิ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่พ่อตูม้มิงจากไปก่อนแล้วนะนี่แหละเป็นผู้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นเป็นผู้ดูแลถ้าว่าหมู่บ้านมีอะไร ทางวัดมีอะไรพวกผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้แหะเป็นผู้เป็นหูเป็นตาดูแลวัดวาศาสนาจนเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเดี๋ยวนี้แหะเพราะฉนั้นการที่จะมีวัดวาศาสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานชุมชนของเราใ ห, ให้การสนับส น, นุนจึงเป็นวัดวาศาสนาขึ้นมาได้คือวัดวาศาสนาก็เป็นคู่กับบ้าน บ้านอยู่ได้วัดก็ต้องอยู่ได้เมื่อวัดอยู่ได้ก็ต้องดูแลบ้านพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับต้นไม้ไม้อาศัยไม้คำ้ำครับไม้ค้ำก็อาศัยตน้นกล้วยลักษณะอย่างนั้นแ่ะนี่ก็เหมือนกันนั่นแหะแต่บัดนี้ตู้เว้นได้จากพวกเราไปก่อนแล้วแต่ถึงยังไงบุญกุศลที่พอตู้ได้ทำมันก็ไม่คงไปไหนก็คงจะไหลเข้าสู่จิตใจของ พอตู้ของพวกเราดวงพอตู่ของเราไปดวงวิญญาณสิงสถิตยอยู่ณนะที่ใดถินด่นใดก็ขอให้บุญกุศลที่พอตู่ได้ทำหรือคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มาภาวนาอยู่นี่ไม่รู้กี่รุ่นที่เป็นพระลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่มาภาวนาที่มาบําเพ็ญกุศลอยู่ที่กุฏิของพอตู่พ่อตาทําทางเดินจงกลมให้ บุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นก็ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพอ่ อ, งพอตูแล้วของพ่อตูแป่นไปอยู่นสถ า, านที่ใดถิ่นใดก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจมีความสุขใจไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนปรารถนาจะไปอยู่ไปเกิดและไปอยู่สวรรค์ชั้นใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานั่นแหละอันนี้ก็คือ พวกเราที่อยู่เบื้องหลังมีแต่ส่งดวงจิตสวงจิตส่งใจส่งบุญกุศลไปให้ในทณนี้มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่ที่นี่ก็เหมือนกันแต่หลวงพ่ออยากจะเตือนย้ำผู้สูงอายุทั้งหลายการที่แยนขี่มอตเตอร์ไซค์หรือว่าจะไปข้ามถนนไม่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์หรือจะไปข้ามถนนอยากจะให้ดู ซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูให้ละเอียดทีท่วนถ้าเห็นรถมาแหละแล้วก็ให้หยุดซะก่อนอย่าไปเร่งไปเร่งถ้าหากว่าเราไปแบบผีผาลามเราไปแบบไม่คิดไม่อ่านน่มันประสบบัติเหตุได้ไง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยลุงพ่อเยอายุ60กวา่าแล้วลุงพ่อไม่อยากจะให้ขี่ละมอเตอร์ไซค์เพราะอะไรมันเป็นของวัยรุ่นเป็นของ ถ้าอย่างนั้นกอนท้ายเขาสร้างให้เขาพาไปถ้าตัวเองขับรถไปบางทีก็ตาของเราก็มองไม่ไกลหูของเราก็ไม่ได้ยินและ ก, การสั่งสมองของเราก็เฉื่อยชาทั้งที่มันจะกระโดด เ, ดเร็วๆมันจะไปได้เร็วร่างกายของเราก็ไม่ ไ, ไ, มไปตามบัญชาเดินช้าบ้างไม่ไปในความคิดของเราก็ช้าบ้างหูของเราตาของเรา มันร้อนแล้วตั้งแต่มันไม่เหมาะสมที่จะไปใช้มอเตอร์ไซค์แล้วว่าการเดินไปในที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับผู้สูงอายุทั้งหลายแต่นี้ถ้าหากว่าโชคดีไหมตูแว่นหลวงพ่อว่าโชคดีนะพอชนกระเด็นตายไปทีเดียวหนึ่งนับว่าโชคดีทำไมจึงว่าโชคดีถ้าหากว่าชนไปแล้วปั๊ม hm, ปั้ม hm, เปือยเปลขาหักแขนหัก ตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายตัวนั้นเราโอ้โหไม่รู้ทนทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจตัวเองอีกต่างหากแต่ใครๆก็ไม่พึงปราถนาหรอกจะจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นยี่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาถือมันข้าวไปนะถ้ามันเป็นไปซะให้มันจบไปดีกว่าที่จะขาหักแขนหักจะ ต, ตายแหละไม่ตายแหละอยู่กับที่ตันั้นอะเป็นทรมานทั้งพี่ทั้งน้องทั้งวงสาคนาญาติทั้งตัว ตัวเองอีกต่างหากอันนี้ก็เอาจะทำยังไงถึงคราวแล้วมันหนีหนไม่พ้นใช่แล้วการการตายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็หายหัวใจวายบ้างนอนหลับตายบ้างอะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น น, นั่นเก็คือความตายแต่ทั้งยังไงทุกคนก็ต้องมีถึง ก็ถึงจุดจบจุดนั้นไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยคือความตายจุดนี้แต่ถึงอย่างไรข็ขอให้พวกเรา ท, ทุกทุกท่านก่อนที่จะตายนะะตายแล้วมันไม่ศูนย์จุดนี้แหละในหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วมันไม่สูญตายแล้วจะต้องเกิดอีกอะไรเพราะว่าเราจังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะโทสะโมหะ ยังมีเชื้ออยู่ใจยังมีเชื้อที่จะทำให้เกิดอยู่ถ้าว่าพวกผู้ท่านผู้ทำใจสำละใจให้หมดเชื้อไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์แล้วอันนั้นคือเข้าสู่นิพพานไม่หมาเวียนไหวตายเกิดอีกเป็นอนันตการแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้พวกเรายัางมีชีวิตอยู่ให้ศึกษาในหลักพระธรรมคาสอน แล้วจ า, จากนั้นก็ให้บำเพนคุณงามความดีให้บำเพนบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรางานการของเรือการดำรงชีวิตของพวกเราก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ดารงมากี่ปีนะพวกชีวิตของพวกเรากี่ปีแล้ว ก, การเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเการก เ, าเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือเสร็จแล้วบางคนก็ได้ทาการทางาน เป็นข้าราชการบางคนก็ไม่ได้ทำราชการมาทำมาค้าขายทำไร่ทานาทำรัว้วทำสวนเพื่ออะไรก็เพื่อสะ่ะแสวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีวิตการทำลงการสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์นั้นเพื่อหาปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนาะอาหาราในปัจจัยข้อที่หนึ่ง ผ้านุ่งห่มเป็นปัจจัยอันที่2ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเป็นอันดับที่3ที่อยู่อาศัยที่บ้านพักผาอาศัยอันนั้นเป็นอันดับที่4 น, นว่าปัจจัย4อาหารผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้คือปัจจัย4แต่ถึงยังไงก็ตามที่เราตั้งแต่เกิดมาอย่างที่ว่านแต่แต่เรียนทั้งสี่ เออจนได้ทำการทำงานจนมาถึงปูนนี่แหละเราหาปัจจัยสีเนี่ยเพื่อหาเงินสรุปแล้วในเมื่อได้เงินขึ้นมาแล้วก็ซื้อปัจจัยสีได้จะซื้ออาหารก็ได้ซื้อผ้านุ่งห่มก็ได้ซื้อยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บก็ได้สร้างที่บ้า น, น, นพักบ้านพักพักาอาศัยก็ได้ปัจจัยสี่คือเงินแต่เงินตัวนี้นะเลี้ยงชีวิตด้วย แล้วก็ซื้อซื้อผ้าห่ามด้วยผ้านุ่งห่มด้วยแล้วก็ทัวที่มันพักผาอาศัยด้วยแล้วก็ซื้อยาแก้โรคภัไข้เจ็บด้วยแต่ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็จําเป็นที่เมื่อมันได้ใช้มากแต่อาหารก็ดีผ้านุ่งห่มก็ดีที่พักผาอาศัยก็ดีเราก็ได้ใช้ไปอยู่แต่ว่าเรื่องยายาแก้โรคภัไข้เจ็บจุดนี้แนหะ เราจะต้องส่งกันมาโรงไปโรงพยาบาลพอมีเจ็บไข้ได้ป่วยจะก็ส่งกันไปแหละเท่บางคนก็ได้ใช้เงินเป็นหมื่นๆเส้นแสนล้านๆห ล, ลายๆ่หลายหลายล้านก็มีเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายโผล่ในสุดถึงจะรักษาขนาดไหนที่เงินเป็นหลายล้านที่พวกเราด้วยขึ้นมาขนาดไหนก็ส่งเข้าไปหมอก็รักษาก็สุดความสามารถอีกเหมือนกันเพราะว่าเงินแต่นี้ เออหมอก็จะไม่รู้จะรักษาจะไงถึงจะให้เงินขนาดไหนหมอก็เอาอย่างไม่เอาไม่ได้ก็เลยเพราะสุดความสามารถของหมอลสรุปแล้วก็คือเงินตัวนี้แหละทั้งอาหารด้วยทั้งผ้านนุ่งห่มด้วยทั้งที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็ส่งถึงื่อรงพยาบาลอย่างมา ก, กส่งเึงื่อรงพยาบาลคือเงินนะอันนี้ก็จบแต่นี่ญาติพี่น้องของเราทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งวงศาขานาญาย่างวันนี้นะ ที่รักเคารพที่เมตตาอย่างพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันเมตตาตูแว่นพวกเราก็รักในปู่ย่าตายายญาติเป็นญาติโกโหติกาแล้วพวกเราก็มาส่งตูแว่นถึงเมนเมาส่งถึงเมนพอส่งขึ้นไปแล้วเอาต่อที่ต่อไปพวกเราก็วางดอกไม้จันองวางดอกไม้จันก่อนนึกในใจเออตูแว่นถ้าพรเจ้าได้ ล่วงเกินตู้แว่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้ตู้แว่นโปรดโอ้โหสิกรรมให้กับพวกเราดนะ้วยเน้อให้ข้าพระเจ้าดนะ้วยเน้อแล้วก็ข้าพระเจ้าก็เหมือนกันตู้แว่นได้ล่วงเกินกับข้าพเจ้าทั้งอดีตปัจจุบันสิ่งไหนก็ตามที่ข้าพเจ้าระลึกได้เมื่ระลึกได้ก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอ้โหสิกรรมให้ตู้แว่นขอให้ตู้แว่นไปดีเนะ้อ ขอหไปสู่สุขติหนาะอันนี้คือพวกเราไปส่งถึงเมนนะวางดอกไม้จาย์เสร็จแล้วก็มานั่งจากนั้นเขาก็ประชุมเพลิงแไฟจุดไฟเผาจากนั้นนะั่นไข่ถึงมันไม่จบอยู่เพียงแค่นั้นคือดวงวิญญาณคือใจของตูแว่นออกจากร่างนี้แล้วนะมีตาบุญกระปะเป็นผู้พาพาตูแว่นไป ถ้าว่าตู้แว่นทําบาปบาปอัคคุศโณก็จะเป็นเพื่อนสองของตู้แว่นเขาก็จะล็อกตู้แว่นไปละทีเหมือนขะตาหารเนี่ยที่เป็นนักโทษโทษไปคือคนที่ทําไม่ดีเป็นบาปบาปอัคคุศโณก็เป็นทาหารเขาว่าก็ล็อกไปจะไปไปที่ไหนถ้าบาปหนักอันันตอนันตันริยกรรมห้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ทํำร้ายพระพุทธเจ้า ุยงสงให้แตกกันฆ่าพระหานอันอันตริยกรรมห้าบาปหนัก อ, อ, อันนี้บาปก็พาไปสู่อเวจีมหานรกไปตกนรกหมกใหม่อันนี้คือทางว่าบาปกรรมยังไม่มากก็ไปพาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปเกิดช้างม้าวัวควายหมูมาเป็ดไก่เป็นได้ทางนั้นฝินดวงวิญญาณแต่ถ้าว่าตู้แว่น สร้างบุญสร้างกุศลก่อนที่ตัวแว่นจะใจขาดตัวแว่นรลลืกถึงบุญกุศลเออผู้ข้าได้สร้างบุญสร้างกุศลเชี่ยวนาทีเนี่ย เ, เข้าไปเจ้าแล้วลึกถึงคุณงามความดีเลยมึงถึงเขาเออจําเป็นแะเลือกถึงคุณงามความดีตัวเองได้จะทำบุญกุศลก็จะพวกวิ่งเข้าไปออช่วยตัวแว่นอีกเหมือนกันออตัวแว่นจะไปเกิดรัสถานที่ใดจะไปเกิดสวรรค์ชั้นผมชั้นไหน เท่าที่บุญกุศลที่ะจะพอจะดำเนินการได้สมมติว่ า, เ, าเรามีเงินอยูอ่มือนบาทและแสนบาท เ, าเราจะไปซื้ออะไรเราก็ไปซื้อได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการถ้าเราเป็นมีเงินจนานานับประการมากมาย เ, าเราก็อาจเข้าสู่นิพพานได้เพราะว่าบุญกุศลส่งถึงนิพพานเป็นเรือแพสง่ง ข้ามฝากไปเลยถ้าหากว่าไม่ถึงนั้นก็ไปถึงไปชั้นพรมชั้นใดชั้นหนึ่งหร้วไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งอันนี้ก็คือบุญกุศลที่พวกเราได้ทำลงไปเพราะนั้นเรื่องตายแล้วไม่เกิดตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านญาติพี่น้องถึงจะรักขนาดไหนก็ส่งถึงเมรเงินถึงจะหาได้มากขนาดไหนก็ส่ทุกส่งถึงโรงพยาบาล แต่เราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาส่งตู้แว่นในวันนี้ก็ให้โอปันไดยิโกอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องเป็นอย่างตู้แว่นนะแต่คงจะไม่ตายแบบเดียวกันอาจจะตายแบบหมดลมหายใจเข้าออกหรืออะไรก็ตาม ก, ก็คงลักษณะหมดลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อยพวกเราท่านทั้งหลายมาทําบุญกับตู้แว่นแล้วก็มาพูดเรื่อง ตู้แว่นว่าพวกเราจะต้องจุดถึงจุดจบหลวงพ่อไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันหรือเอาอความตายมาให้พวกเรากลัวไม่ใช่นะเพียงแต่ยกท่าหอนเป็นตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปชีวิตนี้มันมีจุดจบไม่วันไหนก็วันหนึ่งข้างหน้าคนนั้นตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่า เ, เมื่อเผาร่างสรีระไปแล้วเผาร่างกายไปแล้วนะัดวงวิญญาณนะับุญก บ, บากจะเป็นเพื่อนสองจะเป็นผู้นำพวกเราไปสู่ปัโนโลกภายภาคหน้าแต่หากพวกเราไม่มีบุญพวกเราก็ต้องตกต่ำเพราะว่าถ้าว่าในเมื่อพวกเราเมีบุญพวกเราจะไปตกต่ำได้ยังไงพวกเราก็ไปสู่สวรรค์ ไปชู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปอยู่ชั้นไหนก็ได้เมื่อคนมีเงินไปซื้อสรสสรพสินค้าที่ไหนไปเลือกเอาอะไรจะไปซื้ออะไรได้ทั้งหมดพอคนมีเงินคนมีเงินก็เหมือนคนมีบุญเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลคําว่าบุญคํานี้ไม่ใช่ว่าเรามีเราหลวงพ่อแนะนําให้เอาปัจจัยเอาเงินไปทําบุญทำทานถาวายพระไม่ใช่ แต่อันนั้นก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญทำทานแต่ว่าเลือกรักษาสินรักษากายวาจาของเราเรียบร้อยแรักษาสินห้ารักษาสินอุโบสถอันนี้ก็เป็นบุญกุศลหรือว่าเราทำจิตให้สงบนั่งภาวนายิ่งเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะว่าการสร้างบุญสร้างกุศลมีมากมายท่านเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการทาบุญมีมากมายหลากหลาย การดูแลพ่อแม่ของเราอันนี้ก็เป็นบุญกุศลมหาศาล เ, เพราะว่าท่านว่าเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นพระรหันของบุตรทิดานะเนี่ยแต่บางคนก็มาถามหลวงพ่อนะถามแบบโง่ๆเซื่อๆนะเอเอท่านอาจารย์ว่ายังไงจะยกพ่อแม่ตัวเองเป็นพระหันไม่น่าจะถูกหน้าผมว่าอันนี้เป็นพุทธพาจิตพุทธภาจิตของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เลือกคนพูดขึ้นมาเองหลวงพ่อว่อ้าวก็ท่านพูดชัดๆอยู่แล้วไม่ได้ยินแล้ววะพ่อแม่เป็นพระหันของบททุทธิดาเนี่ยไม่ใช่พระรหันของทุกคนนะใครไม่รู้จักไม่มบุตรบุตรรู้จักไม่มบุตรบุตรก็คือผู้ชายที่ดาก็คือผู้หญิงพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นพระรหันของลูกชายลูกหญิงลูกชายลูกสาวเข้าใจไหมนี่แหละท่านเปรียบเทียบ พ่อแม่เป็นอรหรอันต์ของบุตรชายของบุตรหญิงเพราะพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเพราะนั้นลูกหญิงลูกชายทั้งหลายเมื่ อ, อ, อท่านยังมีชีวิตอยู่ต้องเลี้ยงดูท่านพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบออพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะีอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาจะต้องอต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องทํนะ เ, เพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากแล้วก็เราปฏิบัติตนอย่างไรต่อผู้มีพระคุณเรานั้นท่าน น, าานั้นทั้งสองท่านนั้น เป็นหน้าที่ของบุตรทิดาลูกสิงห์ลูกชายจะต้องช่วยการคิดในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ไม่ให้ปล่อยปะาได้เลยยังให้ทําบุญอุทิศสวนกุศลให้อีกบางครั้งบางการ เ, เมื่อถึงครบรอบปออีที่เราจะต้องทําบุญหรือว่าท่านมรณะปลงไปร้อวันเราทําบุญครั้งหนึ่งห้าวันครั้งหนึงร้อวันครั้งหนึ่งเลือกครบรอบปีเราทําบุญครั้งหนึ่ง เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาลูกหญิงลูกชายจะต้องช่วยกันลําลึกถึงเพราะว่าถึงท่านจะล่วงลับไปแล้วแต่ร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านล่วงลับถึงท่านจะล่วงลับไปแล้วก็จริงแต่ร่างกายของเราเนี่ยตั้งหัวจดเท้าเนี่ยยังมีอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราได้เอาร่างกายของเรา ไปแสวงหาทรัพย์ไปแสวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติในเมื่อได้เงินทรัพย์สมบัติมาแล้วก็เลี้ยงตั ว, ตวเองเลี้ยงครอบครัวาจากนั้นก็ควรจะทำบุญทดแทนใช้นี่ใช้นี่ที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะจะต้องจะต้องคิดนะ อันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราไม่ให้ลืมบุญคุณหรือพระดื่มพระคุณของของพ่อของแม่ของตนเองนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้ฝากไว้กับพระราชธาญาติโยมลูกหลานวันนี้หลวงพ่อได้พูดประเด็นคือความพวกเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองดวงวิญญาณของพวกเรา และก็พร้อมกันพวกเรา เ, เกิดมาจากพ่อจากพ่อจากแม่อย่าลืมพระคุณของท่านเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วให้เลี้ยงท่านต่อทํากิจุระของท่านดํารงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทํำบุญฤทิ์ส่วนกุศลของให้ท่านอันนี้คือย้ำอีกนะย้ำอีกให้พวกเราเข้าใจว่าหน้าที่ของบุตรธิดา ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อพระคุณของท่านทั้งสองนั้นวอนนั้นวันนี้ก็พวกเราเมื่อหลวงพ่อแสดงทำกล่าวสังเวทนิยกถาจบลงไปแล้วพวกเราก็จะได้สวดมาติกาบางสกุลลักอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณของตูแว่นเพราะนั้นการกล่าวสังเวทนิย ทั้งสังเวทธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรายพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีของครูบาอาจารย์ที่ได้บาเพ็ญอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยที่ตู้แว่นเน่แล้วก็ผุ้อมหมูคณะได้สร้างกุฏิได้สร้างทางเดินยังกลม ได้สร้างถนโนหโนทางทําถนโนหโนทางให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมจนได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจอันในสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมาด้วย ท, ที่ตูแว่นได้บําเพ็ญมาด้วยโดยดีด้วย ด, ด, วยดีแล้วนั้นขอให้ดวงวิญญาณของตูแว่นจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ดวงวิญญาณของตูแว่นปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาของตูแว่นและก็ของพวกเราที่มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้โดยทั่วหน้ากันเทิน